ใช้คาถาชินนบัญชรในการผูกมิตรได้ไหมถามปัจจุบันเวลาสวดคาถาชินนบัญชรทำบุญทำความดีต่างๆก็มักอธิษฐานกับพระพุทธองค์เสมอว่าขอให้อานิสงส์งแห่งบุญที่เราทำนี้ช่วยดลบรรดาให้สามีมีสติเติ่นขึ้นอย่าได้มัวหลับไหลเห็นกงจักเป็นดอกบัวต่อไปอีกเลยหากอธิษฐานอย่างนี้เรื่อยๆ ไม่ทราบว่าจะพอช่วยเขาได้บ้างหรือไม่ตอบมักมีการบรรยายสรรพคุณบทสวดมนต์ต่างๆกันมากครับโดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธไทยเราสวดกี่จบกี่จบแล้วจะทำให้เกิดผลดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีไปกลายถึงขนาดสวดบางบท และไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีกอยู่เป็นสุขค้างฟ้าบนสวงสวรรค์ชัว่วนิรันดรนก็ยังมีก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าบทสวดมนต์คืออะไรจึงจะทราบอานิสงส์ของการสวดอย่างทองแท้และอาศัยเป็นเครื่องช่วยได้ถูกเรื่องถูกทางหากคุณแปลบทสวดต่างๆเป็นไทยจะพบว่าบทสวดมนต์ก็คือการท่องจาความรู้ทางศาสนาบ้าง บรรยายคุณลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างหรือสรรเสริญพระรัตนไรัยบ้างสำหรับชินนบัญชรนั้นหากใครเคยอ่านฉบับแปลเป็นไทยจะพบว่ามีการอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบจำเพาะเจาะจงชื่อของพวกท่านมาประดิษฐานณตำแหน่งต่างๆในเราซึ่งเป็นอุปเทศหนึ่งทางสา ย, ยเวทวิทยาคมผู้ประพันธ์บทสวดต่างๆได้นั้น ต้องมีอัจฉริยาภาพเกินมนุษย์อยู่มากนั่นคือนอกจากจะรู้เรื่องภาษาอย่างแตกฉานยังต้องมีทักษะในการร้อยเรียงให้ออกเสียงและเกิดความไพเราะคมคายโดยเฉพาะชินบัญชรจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่หากลองสวดเร็วๆจะรู้สึกถึงความคมกริบจากกระบวนการเปล่งคาโดยรวมคนคิดประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ได้ ต้องมีจิตที่แทงทะลุศาสตร์และหลายด้านเช่นเข้าใจเรื่องพลังสัมพันธ์อันเป็นนามธรรมเข้าใจสรรค์คำวิเศษมาประกอบให้เกิดภาวะเข้มขลังอุกฤษแม้พูดท่องบนสวดภาวนาไม่รู้ความหมายเลยก็เหนี่ยวนำให้เกิดกำแพงปกป้องหน้าเกรงขามตลอดจนเกิดรัศมีสเสน่ดึงดูดใจได้มากกว่าเดิม ไม่น่าแปลกใจที่ผู้สวดชินบัญชรจะพบประสบการณ์น่าอัศจรรย์ประการต่างๆนับตั้งแต่รู้สึกตัวว่าตัวเองเข้มแข็งและคมคายขึ้นมีอำนาจในตัวสูงขึ้นชินบัญชรจึงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายโดยเฉพาะในไทยตั้งแต่สมเด็จโตพรมรังสีท่านดัดแปลงให้สั้นและถวายรัชการที่ห้าเป็นต้นมา หลายคนเข้าใจว่าสมเด็จโตเป็นผู้ประพันธ์จริงๆไม่ใช่นะครับชินบัญชรเป็นของโบราณที่แพร่หลายในหลายประเทศของเดิมยาวกว่านี้มากอย่างไรก็ตามตะบักอำนาจซึ่งเกิดขึ้นง่ายๆมักนำมาซึ่งความทนงความรู้สึกเหนือคนอื่นตลอดจนการเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาไปในทางเดียวกับลัทธิ ที่นิยมมนกริตยาอาถรร์คือมองว่าพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ดลบรรดาริษอำนาจและความปลอดภัยทั้งหลายให้เราขอเพียงเราสวดวิงวอนร้องขอเท่านั้นตัวอย่างในกรณีนี้คือคุณอาจเชื่ออยู่ลึกๆว่าถ้าสวดชินบัญชรแล้วจะอธิษฐานขอให้เกิดอำนาจเปลี่ยนแปลงจิตใจของสามีได้ ขอบอกตรงๆครับว่ามีส่วนกระทบสามีได้จริงคือสามีคุณอาจเกิดความคล้าเกรง่งหรือเห็นคุณมีความคมเข้มบางประการที่น่าเกรงใจตลอดจนทำให้เขาขนลุกได้ในบางครั้งเมื่อคุณปั้นทานิ่งขรึมประเด็นสาคัญคือความน่าเกรงขามกับสเสน่ดึงดูดใจไม่ใช่สะพานเชื่อมระหว่างทางเก่าของเขา กับทางใหม่ในธรรมะสำหรับเขาและบางทีอาจจะไม่ใช่แม้แต่สายใยผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างสามีกับภรรยาที่อยู่ร่วมกันกระแสความเมตตาต่างหากที่เป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดทั้งการเชื่อมทางเก่ากับทางใหม่ทั้งการกล่อมกล่อจิตใจและทั้งเป็นสัมผัสเย็นละไมให้รู้สึกถึงเงาสงบ ได้ร่ธรรมในช่วงเริ่มต้นสำหรับเขาผมไม่ได้ยุให้คุณเลิกสวดชินบัญชรแต่อยากให้ทดลองสวดบทอิติปิโส ซ, ซึ่งเป็นการสรรเสริญพระรัตนตรยัยเจรัยคุณแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งโดยธรรมชาตินั้นเมื่อเราสรรเสริญคุณวิเศษอันใด ก็เท่ากับรอยอมรับกระแสแห่งคุณวิเศษนั้นๆเข้ามาในเราด้วยอยู่แล้วภาษาที่ร้อยเรียงขึ้นเป็นบทสวดอิติปิโสมีความเพราะพริ้งในแบบที่อ่อนโยนก่อให้เกิดความแช่มชื่นสบายใจที่สำคัญคือถอดแบบมาจากพุทธพจน์โดยตรงใครสวรดอิติปิโสทุกข่มเช้าด้วยใจยินดีหรือตั้งจิตไวในแบบรู้ทางที่จะสวด ด้วยโสมนัสตั้งแต่ต้นจนจบได้หลายครั้งจะรู้สึกถึงเมตตาที่ก่อตัวขึ้นเป็นทุนใหญ่เมื่อรู้สึกถึงเมตตาเยอกเย็นแล้วลองอธิษฐานนิ่งๆอยู่ในความสุขนั้นว่าเมื่อคุณปรากฏตัวให้สามีเห็นหรือสามีได้ยินเสียงคุณพูดขอให้สามีจงได้ส่วนแห่งความสุขเช่นเดียวกับคุณหากทาทุกเช้าขําทุกวัน นั่นก็คือการแผ่เมตตาครบวงจรคือทั้งในขณะรับหลังกันไม่เห็นตัวทั้งในขณะอยู่ต่อหน้าพูดจากันคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองก่อนแล้วจะเห็นผลเป็นความสงบอ่อนยนลงในสามีเป็นอันดับต่อมาอย่างแน่นอนการแผ่เมตตาให้กันเป็นพุทธวิธีเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคพุทธกาลนิยมกระทำกันและได้ผลสำเร็จเป็นมิตรไมตรี 3. ไม่มีราคายต่อกันเพราะเป็นการปรับพื้นฐานทางใจต่อกันใหม่แล้วต่อยอดเป็นพฤติกรรมอันเป็นที่รักในการอยู่ร่วมกันมนุษย์มีสัญชาตญาณเอาดีเข้าตัวเมื่อใจเขาเห็นชัดว่าชีวิตแบบใดดีกว่าเป็นสุขกว่าเย็นรื่นกว่าก็ยอมเลือกชีวิตแบบนั้นในที่สุดไม่อาจทนต้านได้เมื่อเขาเลือกที่จะเย็นตามคุณ ก็แปลว่าคุณสามารถชักนำให้เขาไปพบพระหรือนำหนังสือธรรมะไปให้เขาอ่านได้โดยไม่พบกระแสต้านดังเคยสำคัญคืออย่าเพิ่งผลีผลมรอดูจังหวะที่เขาเป็นทุกข์และขอคำปรึกษาเองตรงนั้นจะเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุด นอกจากอาศัยเครื่องทุนแรงช่วยในเบื้องต้นดังกล่าวแล้วก็ควรมองให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอย่างชัดเจนด้วยหนึ่งสำรวจด้านดีในตัวคุณที่มีอิทธิพลต่อความคิดของเขาเขาได้ส่วนนิสัยแบบใดในด้านดีของคุณไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นในด้านความคิดคำพูดหรือการกระทําคู่ผัวตัวเมียที่อยู่ร่วมกันนาน ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ่ายเทถึงกันตัวอย่างเช่นแต่เดิมไม่ชอบให้อาหารสัตว์พอเห็นเราให้อาหารสัตว์บ่อยๆจนเป็นภาพชินตาก็อาจกลายเป็นแนวโน้มที่เขาจะชอบให้อาหารสัตว์ตามเมื่อพบว่าด้านดีของเราอันใดแปลใจเขาให้โน้มเอียงมาใกล้เราได้ก็เร่งเพิ่มคุณงามความดีในด้านนั้นๆให้มากขึ้นด้วยเจตนาให้เขาได้ส่วนดีจากการอยู่กับเราไปมากที่สุด สองสำรวจด้านเสียในตัวคุณที่มีอิทธิพลต่อความคิดของเขาเขาได้ส่วนนิสัยแบบใดในด้านเสียของคุณไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นในด้านความคิดคำพูดหรือการกระทําเช่นคนที่อยู่ร่วมกันมักแสดงความหงุดหงิดใส่กันง่ายๆเมื่อไม่ได้อย่างใจไม่มีใครเห็นคนอื่นหงุดหงิดแล้วอยากคล้อยตามหรืออยากโอบตลอดไป มีแต่ว่าเห็นใครงุดหงิดใส่ก็อยากหงดหงิดตอบเมื่อพบว่าด้านเสียของเราอันใดผลักใส่เขาห่างจากธรรมะก็ให้เร่งลดนิสัยใจคอในด้านนั้นๆให้น้อยลงด้วยเจตนาให้เขางดเว้นอกุศลธรรมนั้นๆตามเราโดยสรุปคือเราอยากให้ใครเป็นอย่างไรก็จำเป็นต้องใช้ตัวเราเองเป็นสภาในเขาข้ามาจากฝาาเดิมของเขา และ ว, วิธีที่จะเป็นสะพานได้อย่างแท้จริงก็คือเราต้องทอดตัวไปถึงฝั่งนั้นแล้วอย่างมั่นคงเป็นการกลุยทางให้ก่อนครับ